เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็มีโอกาสได้มานำธรรมะปรรยายมาเสนอแต่ท่านผู้ฟังรายการธรรมะสุสันติซึ่งติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำพอได้ยินเสียง เพลงสาธุการซึ่งเป็นเพลงบูชาครูขึ้นก็เป็นอันว่ารายการธรรมสูุสันติจะได้นําธรรมบรญญัติมาสู่ท่านสาธุชนผู้ฟังเป็นประจําซึ่งวันนี้ก็ต่อจากค่าวที่แล้วที่อาตมาได้นําเสนอธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยบังคโลในเรื่องพระรัตนตรยัยกําจัดทุกข์กําจัดภยัยและกําจัดโรคได้จริงนั้นมีความหมายว่าอย่างไรซึ่งท่านได้อธิบายไว้แก่ ผู้เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ศาลาการปรเรียนวัฏเกต ร, ราชวรมหาวิหารในวันอาทิตย์ทุกๆุกวันอาทิตย์ต้นเดือนจึงขอเชิญท่า น, ทานสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านมาสดับเนื้อหาสารธรรมต่อจากตอนที่แล้วซึ่งหลวงพ่อท่านได้อธิบายไว้เป็นที่น่าสนใจขอเชิญท่านสาธุชนสัดับพร้อมกันนี่แหละ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 ประพฤติปฏิบัติตามย่อมกาจัดทุกได้จริงด้วยอาการอย่างนี้และเมื่อปฏิบัติตามพระธรรมพระวินัยซึ่งรวมเป็นพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าโดยงดเว้นละวางความประพฤติปฏิบัติชั่วที่เป็นบาปอา k ุ s o อันจะยังผลให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นให้เบาบางไปเพียงไร เวรภัยอันจะเกิดแต่เหตุคือกรรมชั่วของเรานั้นมันก็ไม่มีมันลดน้อยถอยลงจากเวรภัยเก่าๆที่อาจจะเกิดขึ้นมันก็ลดน้อยถอยลงไปเพียงนั้นและมีหน้ำซ้ำเรายังสร้างเหตุแห่งความสุขมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศล ผลของบุญกุศลทั้งหมดเหล่านี้ย่อมส่งผลให้เราได้รับเป็นความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมากเพียงไรผลบุญย่อมให้ตกอยู่แก่หรือเป็นอยู่แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติกุศลกรรมนั้นคือคุณความดีนั้นเหมือนเงาติดตามตัว ใครจะไล่ใครจะสา์แช่งทุบตียังไงเงาไม่รู้เรื่องให้ผลดีลูกเดียวจะทํำยังไงยังไงติดตามให้ผลตลอดเวลาใครแย่งชิงไปไม่ได้ซับภายนอกวิบัติจิบหายได้แต่ซับภายในคือคุณความดีแล้วจะให้ผลเป็นคุณความดีอย่างนี้ไม่มีสูญหายมีแต่จะเจริญรุ่งเรือง เป็นบารมีเป็นอุปบารมีประมัติบารมีอันให้ผลเป็นความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับพบนับชาติไม่ท้วนจนตราบจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกขั้งปวงได้โดยเหตุนี้แหละใครก็ตามบูชาพระพุทธพระธรรมย่อมกำจัดทุกข ย่อมกำจัดภัยได้จริงพิสูจน์ได้ถ้าท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติหรือบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าที่ถูกต้องทั้งอามิษฐบูชาและปฏิบัติบูชาอย่างนี้ส่วนว่าพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์นั้นให้เข้าใจเอาว่าหมายเอา พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเป็นพระอริยะบุคคลแล้วนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งพระสมมุติสงฆ์ที่แม้ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานแต่เป็นผู้ที่ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมขจัดขัดเกลากิเลียยังประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านให้เกิดให้เจริญด้วยดีด้วยความไม่ประมาทเป็นผู้เห็นภัยในวัตตะสงสารดังกล่าวแล้วเช่นนั้นนี่แหละพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในความหมายถ้าว่าผู้ใดทมนุบำรุงนี่ไม่ได้พูดด้วยความเห็นแก่ตัวหรือว่าอยากได้ถ้าใครทมนุบำรุง ผู้ใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสตนเองและยังอนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยสูงขึ้นไปถึงผู้บรรลุมรรคผลนิพพานตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ยอมได้รับผลดีมีอุปมาดังเช่นบุคคลที่ปลูกพืชพันธุ ในเนื้อที่ดินที่อุดมมีบรรยากาศที่เหมาะถ้าพืชพันธ์ของท่านที่ปลูกนั้นดีคืออามิสสถานก็ดีหรือความประพฤติปฏิบัติของท่านตามพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าอันพระภิกษุสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติตามด้วยดีแล้วนำมาเผยแพร่สั่งสอนแล้วก็ดีชื่อว่า ท่านได้มีพืชพันธุ์ที่ดีในการปลูกบนเนื้อที่หรือพื้นดินที่ดีและเมื่อผู้ปลูกนั้นเองเป็นคนดีด้วยคือตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งใจศึกษาด้วยอบรมจิตใจด้วยอย่างนั้นแล้วทั้งผู้ปลูกทั้งพืชพันธุ์และพื้นที่ดีด้วยกันทั้งสามประกอบด้วย เจตนาที่ดีที่บริสุทธิ์ทั้งก่อนทำบุญหรือบูชาทั้งขณะและแม้ภายหลังชื่นชมยินดีด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบในบุญกุศลหรือคุณความดีอย่างนั้นแล้วย่อมได้รับผลดีให้เป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตน ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยอย่างน้อยที่สุดปัดใจสี่อย่างน้อยที่สุดปัดใจสี่คืออะไรอาหารเครื่องนุงหมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเมื่อจเจริญเท่านี้ท่านมองเห็นด้วยยังว่ากำจัดโรคได้จริงกำจัดยังไงหนึ่งกำจัดโรคหิวไง ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งถ้าใครยากจนค้นแค้นแล้วนั่นแหละโรคที่สำคัญที่สุดเลยแหละซึ่งสามารถที่จะนำไปสู่โรคอื่นๆให้ตายเร็วขึ้นหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินนั่นแหละก็โรคอย่างยิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเริญนรุ่งเรืองด้วยปัจัจสี่ด้วยอำนาจของบุญกุศลที่ติดตามให้ผล จากทั้งอามิ t h บูชาและปฏบิบัติบูชาในพระพุทธรธรรมระสงจึงกำจัดโรคได้จริงด้วยอาการอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วนั้นมีความลึกซึ้งยิ่งกว่านี้อีกคือกิเลสอวิชชาตันหาอุปท า, านนั้นเป็นต้นขั้วของโรคทั้งหลายเพราะว่าบุคคลทั้งหลายประพฤติปฏิบัติบตเบียดเบียนชีวิตของสัต ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มาถึงมนุษย์ย่อมประกอบกรรมเป็นบาปอากุศลมีผลให้กลายเป็นคนขี้โรคอายุสั้นแต่ถ้าท่านทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาแก่พระพุทธประรมระสง์ท่านรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็เท่ากับท่านรั ง, งับเวรภัยตลอดทั้งโรคภัยไข้เจ็บอันจะเกิดแก่ท่าน มากขึ้นทุกทีทุกทีจนถึงในที่สุดถึงมรรคผลนิพพานด้วยความสันที่สุขและร่มเย็นแม้่เมื่อบรรลุถึงพระอรหัตผลเป็นสัุปาทิเสสนิพานแล้วถึงแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บบ้างก็ไม่เป็นทุกไปถึงใจและเมื่อถึงอนุปาทิเสสนิพานคือละทิ้งขันนี้ไปแล้ว ทุกโศกโรคภัยเป็นอันโดยสิ้นเชิงแตะต้องพระอรหันต์หรือพระนิพพานคือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลซึ่งเป็นวิรากรทาธวิรากรรมมิได้เลยนี่แหละบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยทั้งอามิตรบูชาปฏิบัติบูบชานำไปสู่ความพ้นทุกอันถาวรและระหว่างเจริญชีวิตอยู่ก็มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอาการอย่างนี้ จึงชื่อว่าบูชาพระพุทธธรรมประสงแล้วกำจัดทุกข์กำจัดภัยและกำจัดโรคได้จริงด้วยอาการอย่างนี้นั่นก็เป็นสารธรรมจากธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคลโลจะาอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายที่ชี้แจงให้สาธุชนได้ทราบถึงคุณของพระรัตนไตรที่สามารถกาจัด กำจัดภัยและกำจัดโรคได้จริงท่านก็ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับมูลเหตุของการบูชาพระกรรมฐานตามแบบของลุงพ่อวัดปากน้ำสำหรับเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปหลังจากท่านสาธุชนได้ทราบถึงคุณของพระพุทธรธรรมพระสงฆ์แล้วทางรายการจะขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจปฏิบัติภาวนาธรรมเบื้องต้นโดย การวางภารกิจชั่วครู่เตรียมตัวที่จะปฏิบัติสมาธิตามแนววิชาธรรมกายสืบต่อไปโดยการนั่งสมาธิคูบันลังเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายให้นิ้วชี้ขวาจดหัวแม่มือด้านซ้ายตั้งกายของเราให้ตรง และดำรงสติของเราให้มั่นคงไม่เผลอสติและขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับรับฟังคำสอนการปฏิบัติภาวนาธรรมเบื้องต้นเพื่อที่จะได้น้อมใจของเราให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบนั่นมั่นคงตามเสียงของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคลโลจะได้แนะนำต่อไปณบัดนี้ นั่งในท่าคัดสมาธิแล้วทุกท่านอธิษฐานถึงบุญกุศลที่ได้เคยสร้างสมอบรมมาและเจริญแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีอุปบารมีประมัดปบามีนับตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขมมะบารมี ปัญญาบารมีเวริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาและอุเบกขาบารมีที่ได้บำเพ็ญมารวมทั้งคุณมารดาบิดาคุณครูอุปัชฌาอาจารย์และคุณพระศรีรัตนตรยัยขอจงได้มาบังเกิดในกายทวาร มโนทวานชิวหาทวานคาณทวานโสตะทวานและจักขุทวานและขอรัตนาบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิอำนาจสิทธิเฉียบขาดแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ตีนาศพเจ้าทั้งหลายของพระเดชพ ร, ระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำและพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทุกพระองค์ ขอจงได้มารวมเป็นตบะเดชะพละวะั จ, จัยประครับประคองใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้สิ้นกิเลสนิวร์เครื่องกั้นปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นต่างๆนอกพระกรรมฐานหากจะมีกิเลสนิวร์เกิดขึ้นขอให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันในกิเลสนิวร์ทั้งหลายเหล่านั้น แลกกำจัดเสียได้โดยพลันด้วยรักกรรมฐานมีองค์บริกรรมนิมิตบรบริกรรมภาวนาคู่กันเป็นต้นขอจงมีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมขอจงได้เข้าถึงได้รู้ได้เห็นได้เป็นธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานพร้อมด้วยวิชา มีวิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกจตุปฏิสัมพิทายานเป็นต้นและจารณะสิบห้าทปฏิบัติเครื่องกำจัดกิเลสวิชาตันหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายให้ได้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงทั้งนิพพานถอดกายและนิพพานเป็นตั้งจิตอธิษฐานดีแล้วต่อแต่นี้ไปเป็นเรื่องของการละวาง วางเรื่องราวอารมณ์จากภายนอกทั้งหมดเลยเพราะล้วนแต่ไม่เป็นแก่นสารสาระทั้งสิ้นเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวพร้อมรู้เท่าทันกิเลสนิวร์หากจะเกิดขึ้นมีในใจ สติสัมปชัญญะและความรู้สึกตัวพร้อมนี้ให้มีอยู่ณศูนย์กลางจุดเล็กใสศูนย์กลางกายไว้ให้ตลอดเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าวิตตกอย่ากังวลอย่าอยากเห็นเกินไปแล้วก็อย่าไปคิดอะไรให้มันเครียด ลอยอารมณ์อย่างอื่นทั้งหมดอย่าสนใจปฏิบัติธรรมดาธรรมดาวางให้หมดแล้วก็ทำสองอย่างเท่านั้นคือกำหนดบริกรรมนิมิตนึกให้เห็นด้วยใจพร้อมด้วยสติสัมาชัญญะนะนึกให้เห็นอยู่เรื่อยคอยสอนใจของเราบางท่านเครียดเกิน แล้วก็ฟุ้งซ่านออกไปนอกตัวเพราะขาดสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นสติเรื่องสำคัญและไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายๆไม่สนใจเรื่องอื่นทำอย่างเดียวให้ใจอยู่ที่องค์บริกรรมภาวนาสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอาระหั ง, าาหงกลางของกลางจุดเล็กใส นั่นบริกรรมนิมิตกลางดวงแก้วกลมใสนึน่หายใจเข้าหายใจออกนึกให้เห็นลมหายใจเข้าออกกระทบดวงแก้วทำอยู่เท่านี้ไม่ยากเลยและพยายามระวังทว่าใจมันคอยฟุ้งซ่านออกนอกตัวมันฟุ้งมาแล้วตั้งแต่ก่อนปฏิบัติพอมาถึงปฏิบัติจะให้มันหยุดมันก็หยุดยากหน่อย หยุดยากหน่อยก็อย่าได้ท้อใจและมันเห็นชัดว่าใจเรามันหยุดยากค่อยๆฝึกอบรมอย่าวิตกอย่ากังวลธรรมดาสบายๆเหมือนเราจะพักผ่อนนอนหลับอย่างนั้นเพียงแต่มีสติรู้ต่าง ก, กันกับการนอนหลับนิดเดียวคือส่วนที่เหมือนกันคือว่าใจไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงนั้นเนี่ย ตรงที่เราจะหลับนั่นแหละศูนย์กลางกายแหละมันหลับตรงนั้นะ แ, แต่ว่าเรามีสติสัมชัญญะรู้ตัวอยู่ไม่เผลอสตินั่นแหละคือสมาธิถ้าเผลอสติมันก็หลับมันมีสองอย่างมันคล้ายกันต่างกันอยู่นิดเดียวว่ามีสติหรือเผลอสติหรือถ้าปล่อยให้สติฟุ้งซ่านมากไปนั่นไม่ดี เพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปควบคุมจิตใจของเราให้ง่ายๆง่ายๆนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสสลัดความวิตกกังวลเรื่องราวภายนอกเสียทั้งหมดเพราะไร่เกนสารสาระทำอย่างเดียวสัมมาระหังสัมมารหังสมัมมารหังกลางของกลางจุดเล็กใสนั้นให้สงบนิ่ง ใสแจ่มขึ้นเมื่อไรก็ทุกอย่างมันปราศนาการไปสิ้นแม้ความง่วงความซึมก็ไม่มีเพราะว่าวิตกวิจารณ์ตัวกําจัดถีนมิทะจงทําใจให้สว่างเหมือนกลางวันเมื่อใจหยุดนิ่งได้นะสัมมาหลังสัมมาหลังสัมมาหลังจี้เขาไวล้ละเห็นดวงใสสว่างขึ้นมาเราก็หยุดนิ่งไปกลางของกลางดวง หยุดนิ่งให้ใสแจม่มใจจะหยุดนิ่งดีขึ้นเมื่อเราช่วยนิดหน่อยในเบื้องตน้นคือเหลือบตากลับนิดๆในขณะที่เปลือกตายังหลับอยู่ซึ่งความจริงถ้าใจตกศูนย์หรือจิตตกศูนย์นี่เป็นเองโดยธรรมชาติไม่ใช่ของแปลกประหลาดอะไรเหมือนเด็กทารกที่กําลังนอนหลับให้สังเกตดูนะ ตาแกเหลือบกลับริบรีบรีนไม่ใช่แกชักนะแต่เพราะจิตแกตกศูนย์นั่นแหละเป็นอย่างนั้นจะเกิดจะดับจะหลับจะตื่นเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปก็ช่วยหน่อยโดยอาการนิดนิดคือว่าเหลือบตากลับนิดนิดแต่ตาเปลือกตาหลับอยู่นะฮะแต่หลับไม่เม้มสนิทเม้มพอดีพอดีสบายสบาย บางคนอาจจะฝืนความรู้สึกนิดหน่อยในเบื้องต้นก็ทำสบายๆเท่าที่ทำได้ไม่ต้องฝืนมากทุกอย่างไม่ต้องฝืนมากให้เป็นมัชชิมาปฏิปทาพอดีพอดีแต่จิตมันเป็นแล้วมันก็เป็นไปทุกอย่างโดยอัตโนมัติเองโดยธรรมชาติเมื่อใจใสแจ่มปรากฏขึ้นแล้วหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลา ง, ขอ ง, ลางของกลางกายนั้น ให้ใสละเอียดไปสุดละเอียดแล้วกายในกายปรากฏปรากฏขึ้นมาเหมือนว่ามีอีกกายหนึ่งเราก็ดับยาบไปหาละเอียดเป็นกายละเอียดใหม่วางอุปทานในขันห้าของกายหยาบอย่าสนใจเข้าไปเป็นกายละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดให้ใสละเอียดทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานปรากฏขึ้นใหม่เราก็ทําแบบเดียวกันไปจนถึงธรรมกายเป็นองค์พระไปทําไปทุกท่านเนึ่ง เราทุ่มใจของเราไปณภายในอย่าให้อยู่เผินอยู่ภายนอกเห็นดวงหยุดนิ่งไปกลางของกลางดวงให้นิ่งสนิทลงไปหยุดในหยุดกลางของหยุดเหมือนมีแรงดึงดูดเข้ากลางของกลางส่วนเมื่อเห็นกายในกายเรานิ่งนิ่งดับยาบไปหาละเอียดเป็นกายละเอียดนั้น เ, นเมื่อใจเป็นจดนิ่งแล้วศูนย์กลางขยายออกจะทับทวีกายในกายเป็นเราขึ้นมาเอง ถ้าว่าจิตนิ่งถูกส่วนแล้วเนี่ยทับทวีขึ้นมาเองนับไม่ถ้วนเลยจนใสสว่างหมดจด <c oughs> เป็นองค์พระไป <c oughs> ก่อนจะหยุดพักทุกท่านตั้งใจนแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตั้งตนเป็นพยานก่อนว่าเราไม่ปรารถนาะ ความทุกโศกโรคภัยและพยันตรายเครื่องเบียดเบียนโดยรอบใดๆปรารถนาแต่ความสันติสุขและร่มเย็นขอสัตว์โลกอื่นทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกัน จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดรักษาตนให้พ้นทุกภัยทั้งหลายแล้วถวายพระราชกุศลในบุญกุศลที่เราได้สร้างสมอบรมมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อุทิศให้แก่คุณมารดาบิดาคุณครูอุปัชฌาอาจารย์ญาติมิตรและสัมพันธชนเพื่อนสหธรรมิก ผู้ประพฤติ ธ, ธรรมผู้มีพระคุณทุกท่านผู้ปกครองประเทศชาติผู้มีเจตนาบริสุธทธิ์ยุติธรรมและผู้รักษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้ามนุษย์เพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศร่วมโลกอื่นทั้งหลายและอะมนุษย์มีเทพยดาพรหมอรุปพรมทั้งหลายทั้งปวงและสัตว์โลกในทุ ก, กติภูมิ เมื่อรับรู้ด้วยญาณวิถีใดจงอนุโมทนาบุญเอาขอกุศลผลบุญนี้จงถึงแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นและเป็นพละวะปัใจจัยให้ท่านทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเองด้วยจงปราศจากความทุกโศกโรคภัยทั้งปวงให้พ้นไปจากกิเลสวัฏจักรรมวัตะวิปากวัตฐ์ด้ยการละชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจชำระจิตใจให้ผ่องใส จเจริญรุ่งเรืองในพระสัตว์ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอายุมั่นขวัญยืนสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติมีมรสีผลสีและนิพานหนึ่งโดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินนิพานปัจจะโยโตุสาธุชนก็ได้ปฏิบัติภาวนาธรรมเบื้องต้นตามแนววิชาธรรมกายตามเสียงของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัย ชยังมังคลุที่ให้การแนะนำคงจะได้ความสงบแผงกิจและมันฝึกฝนปฏิบัติอย่างนี้อยู่บ่อยๆเนืองๆก็จะมีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างมหาศาลเลยทีเดียวสำหรับรายการธรรมสู่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมจากรายการได้ในครั้งต่อไปสาหรับวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟัง ทุกท่านทุกคนเทิญเจริญพร